หรือความประจักษ์ในความจริงเหล่านี้ก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเราทุกเพราะปล่อยให้ตัวกูของกูเกิดขึ้นโดยแท้นี่แหละคือต้นเหตุแห่งทุก์ทางปวงพระภัยสารวิสาโล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 ทำให้จิตใจเราค่ we we ้ยเขลได้เพราะไม่มีใจที no ่จะคุ้ยเขวื่ซะแล้วไม่มีตัวที่จะคว้ยเคลืซะแล้วนะคะดีไหมคะเพื่อนของเราเห็นเป็นประการใดคะลองนำไปคิดพินิษพิจารณาแล้วก็เลือกเอาเองนะคะเพราะชีวิตเป็นของแต่ละคนที่จะต้องกําหนดให้เป็นไปสาหรับของแต่ละคนเองนะคะ